คือเข้าพรรษามาได้15วันวันนั้นยังไม่สายเจ้าจะให้พวกเราคณะทัตยาติยมลูกหลานทุกคนไม่ว่าพระคณะสัายาดิยมพระเนนทุกคนทุกองค์ด้วยว่าในพรรษานี้2556นี้ข้าพระเจ้าจะทำอะไรให้เป็นประโยชน์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 เกิดในพบใดชาติใดจะไม่อดไม่อยากการทํามาค้าขายทุกสิ่งทุกอย่างเงินทองไหลมาเทม า, เ พ, าเพราะอะไรเพราะอเนิสง์ทานแต่ว่าคนไม่มีอเนิสง์ทานอยู่ในตัวของเราแล้วทําอะไรก็ต ก, ตกตกล่นห ข, ขาดขาดเคลื่อนเคลอนอันนี้หลงตามหาบัวท่านเคยบอกกล่าวแนะนํำสิทธิอนุสิทธิ์ของท่านเพราะนั้นขอให้พวกเราคิดไว้ในใจเสมอว่าการทําทาน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 นะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปติรูปะเทสวาโซจะปุเพจกะตะปุญญาตาอัตสัมมาปนิธิตีติวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งท่านหลวงพ่อ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 วันนี้ก็เป็นวันที่8วันที่10ที่จะถึงนงประชุมเพิงหลวงพ่อประจนก็อายุกจะสิอย่างที่ว่าอีกปีนี้รู้จึกว่าลุ่นๆของหลวงพ่อเนี่จากไปหลายองค์เพราะนั้นหลวงพ่อเองก็ต้องมองซ้ายมองขวาอีกเหมือนกันชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเพราะนั้นพวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาทอันนี้ก็เป็นการบอกกล่าวย้ำเตือนคณะทายาโยมทุกหมเหล่า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 สงบแล้วนะพระองค์ล้ำลึกชาติทวนหลังได้เยกว่าปุเพเนวาสานุสติยานละลึกชาติทวนหลังได้ เ, เกิดญ า, านรัชณะล้ำลึกชาติทวนหลังได้พระองค์เป็นมาอย่างไรเดียงมาถึงจุดนี้อันนี้คือมองพระองค์พอจากนั้นพระองค์ก็นั่งภาวนาอีกตอนถึงเที่ยงคืนก็ล้ำลึกดูออกไปข้างนอกดูออกไปข้างนอก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 บริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโถเวลาก้าวเดินขาขวาพดขาซ้ายโถเวลาปัดกวาดเวียงขวาพดเหวียงซ้ายโถสรุปแล้วก็คือให้มีสติสัมปชัญญะในทุกอริยาบทในการภาวนานี่แหละท่านบอกว่าการที่จะทําอย่างนี้หนักมากหนักมากสําหรับการภาวนาหนักกว่างานภายนอกเป็นใด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 พ่อแม่ครูบาจารย์หลวงปูล่ลาศท่านสอนหลวงพ่อนะหลวงพ่อเป็นเลนน้อยท่านบอกว่าท่านก็สอนแบบสอนแบบคนไม่รู้เด็กท่านก็สอนเออเน้นเมื่อเจ้าเข้ามาแล้วก่อนหลับนอนเจ้าไหวพระก่อนหน้า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 เป็นอัลเจเมอร์ได้ไง่ายๆเป็นบ้าได้ไง่ายๆเพราะคนขาดสติถ้าเมื่อเท่าแก่ชรามานแล้วเราจะทำยังไงถ้ามันเผลอเลย อ, อย่างนี้เพราะนั้นเราต้องพยายามฝึกสติให้เข้มขึ้นไปกว่านั้นดีกาหนดลมหายใจเข้าเอ่อนับหนึ่งหายใจออกนับสองจนไม่เผลอจากนั้นนับเออถึงส0ครั้งแล้วจึงค่อยกาหนดลมหายใจเข้าพุายใจออกโถต่อไปนี่แหละวิธีการ